อาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยพระเร น, นก็สันเรียบร้อยแล้วญาตโยมผู้มาปฏิบัติธรรมก็สันเรียบร้อยแล้วเมื่อสันอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแนะแนววิธีปฏิบัติกับพวกเราว <c oughs> ันนี้เป็นวันวันพุธวันพุธยี่สิบหกในวันนี้ี วันพุธ ท, ที่26แลมจะคำวันนี้แลมสามคาเดือนสามนะ <c oughs> แลมสามคาเดือนสามในองการปฏิบัติวิธีที่พวกเรากำลังทาอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับทางทฤษฎีมาก แต่มันก็โยงถึงกันได้แต่มันเกี่ยวข้องวิธีทมคือมันมีเทคนิคและโกลไกในตัวมันเองจึงมีวิธีทมวิธีทำนี้ต้องเรียนให้เป็นทำให้สัมนิสัมนานแล้วเมื่อปฏิบัติก็สบายถ้าหากเราเรียนวิธีปฏิบัติ ยังไม่สำนิกสำนานเมื่อเราไปปฏิบัติก็ขัดข้องมีความสงสัยลังเลกังบนใจนี่เป็นอย่างไงดังนั้นจึงจากแนะนำให้พวกเราเข้าใจวิธีทมจังหวะเป่นพิกมือขึ้นพิกให้เป็นพิกไม่จะยกพลิกเสย ทิศแรกมันรู้สึกตัวยกมือขึ้นให้มันรู้สึกตัวเอามือมาที่สะดือก็ให้รู้สึกตัวมันทิศมือซ้ายนี่ก็ให้มีความรู้สึกตัวทิไม่ใช่ให้รู้สึกว่าทิศมือไม่ใช่ให้รู้สึกอย่างนั้นเพียงแต่รู้สึกไหวไปมีความสัมผัสกับการเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง ยกมือให้รู้สึกเอามาทับมือขัวที่หน้าท้องหรือสะดือให้รู้สึกเลื่อนมือขัวขึ้นหน้าอกให้รู้สึกเอามือหัวออกตรงข้างให้รู้สึกเอามือขัวลดลงที่ขาขัวตะแคงไว้ตั้งสันตะแคงไว้คัวมลงให้มันรู้สึกเท่านั้นเองทำสลับกัน มือขวามือซ้ายเมื่อทำอย่างนี้แหละสิ่งที่ปรากฏขึ้นในตัวมันมีเองนี่วะทำความรู้สึกตัวให้มากความไม่รู้นั่นแหละมันก็ จ, จะค่อยลดไปลดไปลดไปหรือว่าหมดไปหมดไปหมดไปอย่างนี้ ความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเรียกว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องรู้ตามกฎของธรรมชาติมันนั่นเองดังนั้นการปฏิบัติแบบนี้จึง มีวิธีกลนไกลและทิศนิบมีจังหวะทําเป็นจังหวะเคลื่อนไหวจวยวิธีใดก็ให้รู้เส้นทิบตายเลือดซ้ายแลขวาก็ให้รู้เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยก็ให้รู้คืนน้ำลายลงไปในลําคอนี่ก็ให้รู้ อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆแต่ไม่เข้าใจในคำพูดเท่านั้นเองหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องพูดถึงว่าสั้นยาวหายใจรู้เสยๆเท่านั้นเองไม่ว่าเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นลมหยาบลมละเอียดไม่ต้องนึกถึง เพียงแต่ให้รู้ก็พอใช้ได้จึงเป็นหน้าที่ทุกคนทำได้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปกับงานทุกวิธีทีเดียวอันนี้ดังนั้นจึงที่พูดนี้คนอื่นมองเห็นป็นพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงย เหล่านี้หยามคนอื่นมองเห็นได้อย่างถนัดหรือใกลๆก็มองเห็นอย่างนี้ละเอียดเข้ามาคือพิตาพิตาเหยียด้ายแลัวละเอียดเข้ามาแต่ก็ยังดูไกลๆมองเห็นได้บบบ น, นี้ละเอียดลงไปคือหายใจข้าวหายใจออก อันนี้ก็ละเอียดเข้าไปส่วนความคิดหรือการนึกการคิดนั้นยิ่งละเอียดคนอื่นมองไม่เห็นตัวเองก็มองไม่เห็นไม่เคยเข้าใจเรื่องเหล่านี้นี่เป็นวิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติแบบนี้ผู้หญิงผู้ชาย พระสงฆ์องค์เน้นก็ปฏิบัติอย่างนี้คนชาติใดภาษาใดถือศาสนาไหนก็ปฏิบัติอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมแบบนี้จึงไม่ต้องเห็นอะไรให้มากต้องเห็นตัวเรานเองกําลังเคลื่อนไหวไปมานี่เรียกเป็นการปฏิบัติธรรม รู้สุดตัวนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมธรรมะนั่นจึงคือตัวคนทำการทำงานพูดคิดเป็นธรรมะทั้งนั้นและต้องรู้จักกับสิ่งเหล่านั้นรู้เท่าทันเหตุการณ์กักบสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปกับงานทุกประเภทเปอย่างนั้นดังนั้นที่แรกมันต้องมีการฝึกหัดเพราะ เราไม่เข้าใจเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในประเทศอินเดียโ น, น้นว่าให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้่แต่ว่าตอนกนําหนดรู้นี่อาจจะเป็นคนอื่นพูดก็ได้หรือพระพุทธเจ้าพูดก็ได้ถ้าเข้าไปกําหนดจริงๆมันหนักท่านว่าให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ในอิริยบททั้งสี่ หรืออาดิยบทั้งสี่เนี่ยเวินให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ท่นนกกานต้องเดินไปเดินมาไปไหนมาไหนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ท่านสอนเอาว่าอย่างนี้เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังสอนย้ำเข้าไปว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ ในอริยบทย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าถึงกำหนดรู้ท่านสอนอย่างนี้แต่คําพูดอันนั้นโหดได้แต่เราไม่เข้าใจเราไปเข้าใจเอาเพียงกําหนดลมหายใจข้าวสั้นออกยาวหรือเข้ายาวออกสั้นลมหยาบลมละเอียดและเราจะกําหนดรู้อันนั้นอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็หลับตา นี่เคยทํามาอย่างนั้นอันตัวหลับตานี่มันฝืนธรรมชาติมันแล้วเราไม่ได้ศึกษากับธรรมชาติมันจริงๆดังนั้นวิธีที่กําหนดให้พวกเราทําขึ้นมานี่คือเป็นวิธีให้มันอยู่กับสภาพตามธรมรมชาติของมันไม่ต้องฝืนธรมรมชาติมันทั้งหมดเลยมันจะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตาม มันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสกับตัวธรรมชาติของมันเองดังนั้นศึกษาธรรมะแบบนี้จึงง่ายๆเรียนหนังสือเขียนหนังสือเป็นก็ปฏิบัติได้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเขียนหนังสือไม่เป็นก็ปฏิบัติได้คนรวยๆมีเงินมากๆก็ปฏิบัติได้คนจนๆ ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมายก็ปฏิบัติได้รู้ก็รู้อย่างเดียวกันธรรมะจึงเป็นอันเดียวกันเท่านั้นแม่ผู้หญิงก็เป็นอันเดียวกันเท่านั้นผู้ชายก็เป็นอันเดียวกันเท่านั้นและครูบาอาจารย์เคยกล่าวเอาไว้ว่าพุทธศาสนาของเหล่าตถาคตเลย จะเจริญลุ่งเรืองหรือ ง, งอกงามนั้นก็ต้องอาศัยบริสตีหน่อยพิพึ่งปฏิบัติตามพระธรรมวิไไนัยอยู่มรคนิพพานก็ไม่ว่างจากลุกนี้ในทางตรงกันข้า ม, มพุทธศาสนาของเราตถาคตนี้จะอันตรธานหรือหายไป ก็ต้องอาศัยบริษัทที่คือพิษุพิษุนี้อุบาสกอุบาสิกานี้เองไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าก็อันตรธานหายไปและมรรคผลนิพพานก็อันตรธานหายไปว่าบริษัทที่คือพิกษุหนึ่งพิษุนีหนึ่งอุบาสกหนึ่งอุบาสิกาหนึ่ง หรืบริษัทนี้ทันว่ายัางไงเดี๋ยวนี้บริษัทอย่างที่พิสูจนี้นั้นไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีพิสูจนี้เดี๋ยวนี้มีแต่พิกษุอุบาสกวิชิกายังเหลืออยู่สามบริษัทเท่านั้นเองแต่จะพูดในวันนี้ก็เอากันเป็นเพียงบริษัทสองก่อนเบื้องแรกคําว่าบริษัทสองก็หมายถึงผู้ตาย เิกสูก็เป็นผู้ชายบวชแล้วสึกไปสึกแล้ว็บวชมาเรียกว่าเป็นผู้ชายคือบริษัทหนึ่งเพศสูนี้หรือแม่ขาวแม่ซอแม่ดำเหล่านี้ก็เป็นบริษัทหนึ่งเรียกผู้หญิงเพศหญิงนั่นเองสองบริษัทนี้แหละทำให้เจริญก็ได้หรือไม่ต้องการความเจริญทำให้เสื่อมก็ได้ สำหรับตัวบุคคลท่านั้เองบัดบนี้อยากจะกล่าวถึงบริษัทสี่อี ก, กคําหนึ่งที่เรายังมีความขัดข้องหรือสนใจกันอยู่ในบริษัทสี่นี้เองบริษัทสีนี้สมมุติขึ้นมาสี่คนจะเป็นผู้หญิงทั้งสี่คนก็ได้จะเป็นผู้ชายทั้งสี่คนก็ได้สมมุติเอาบุคคลคนหนึ่ง ไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้สัมผัสกับธรรมะไม่ได้เห็นธรรมะทราบซึ้งภายในจิตใจตัวเองนั่นแหละแล้วก็เที่ยวเทศเที่ยวสอนโพลศนาไปว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ทมอย่างนั้นทำอย่างนี้จึงจะรู้ธรรมะบริษัทนี้ไม่เข้าใจ บริษัทนี้แหละทำให้พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอันตรฐานหายไปจะเป็นผู้หญิงคนตามผู้ชายคนตามบริษัทที่สองแบบนี้ไม่รู้แต่ไม่สอนคนทำไปอยู่ไปกินไปนอนไปตามหน้าที่ของคนที่ผู้ไม่รู้นั่นเอง บริษัทนี้ไม่ทำให้เจริญและไม่ทำให้เสือ่อมอยู่ไปอย่างนั้นตลอดกาลไปอย่างนั้นบริษัทที่สามแบบนี้รู้เข้าใจธรรมทราบซึ้งเห็นแจ้งรู้จริงแต่ไม่เทศไม่สอนปิดบังเอาไว้สำหรับรู้แต่เราคนเดียวไม่ให้คนอื่นรู้ด้วย บริษัทนี้ก็ไม่ทำให้ศินหน้าสิบหายแต่จเจริญสำหรับส่วนตัวเราและไม่ทำให้พุทธศาสนาหรือคนอื่นจเจริญขึ้นมาได้บริษัทที่สามบริษัทที่4คือพวกเรากำลังศึกษาและปฏิบัติวิธีกลไกและเทคนิคการกระทำนั่นแหละให้รู้จริงถึงจริงและทำก็ ถูกต้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้มีสติเข้าไปรู้นี่แหละทุกอิริยบทเนี่ยแล้วเกิดยานปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงสัมผัสได้กำหนดวันเดือนปีลงไปพ<อ>เพราะตัวเองรู้จริงก็ต้องกำหนดได้ยันเดือนปีกำหนด เท่านั้นวันหรือในเดือนเท่านั้นปีต้องรู้ไม่มากกว่าน้อยแล้วก็เที่ยวเทศเที่ยวสอนให้บุคคลที่ยังไม่ได้ฟังได้ฟังให้บุคคลที่ยังไม่รู้ได้รู้และให้บุคคลที่ยังไม่เคยรู้เทคนิคและกนไกวิธีทำนั้นให้คนอื่นได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามเทคนิคคนไกอันนั้น ให้คนอื่นหรือคนทั่วๆไปรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามสิ่งที่ตัวเองได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจมานั่นแหละเรียกว่าเป็นการพื้นภูหลักพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาเจริญได้ผริตนี่ิม่ว่จะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเป็นพระเป็นเนนก็ตามเป็นใครๆครก็ตามถ้ารู้จริงแล้วต้อง รองได้อย่างนี้อย่างที่ตัวของผมหรือตัวอจะมาพูดในขณะนี้ก็รับรองได้คือวิธีอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการให้ทานและไม่ได้พูดถึงการรักษาศีลไม่ได้พูดถึงทําความสงบอันใดอันใดทั้งหมดคันว่าอันใด น, นี่ก็บ้านหลวงพ่อเรียกว่าอันใดอะไรอะไ ร, ะไรทั้งหมดเลย มันขึ้นอยู่ในตัวของมันพร้อมแล้วทุกอย่างทีเดียวและสิ่งที่ยังไม่เคยรู้มันก็จะรู้ขึ้นมาสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นมันก็จะเห็นขึ้นมามันจะปรากฏในตัวของมันเองดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดมันทาความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจนี้ มันเป็นเองไปตามธรรมชาติหรือเป็นไปตามหน้าที่ของมันจริงๆเรื่องนี้ตัวของผมหรือตัวของอาตมาเองได้อ่านหนังสือธรรมวิจารณ์เป็นความรู้นักธรรมสั้นเอกว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ทา่านห่งให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่หมายถึงไม่ขาดช่วง ไปไหนมาไหนก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ขาดช่วงในวาติดต่อกันเหมือนหนุกโตอย่างนานเวลาเจ็ดปีท่านกำหนดเอาไว้อย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอานิสงส์องประการทานันวลาหนึง่งต้องเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันนี้หากว่า ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันนี้ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดทันว่าพระอนาคามีดังนั้นที่ปฏิบัติอย่างวิธีที่พวกเรากำลังฝึกหัดดับนิสัยกันอยู่ทุกวันนี้อย่างนานให้เวลาสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวัน ถึง90วันอานิสงไม่ต้องพูดเลยทุกนั้นจะลดน้อยไปหรือบางคนผู้มีปัญญาเข้มแข็งหรือสละสเลียวมากอาจจะเบื่อทุกไปได้ทั้งหมดก็ได้ไดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยบรรจุลงมาที่แก้ปัญหาตัวเองคือแก้ทุกนี้เอง เมื่อแก้ปัญหาตัวเองแก้ทุกตัวเองได้แล้วก็แก้ปัญหาคนอื่นได้แก้ทุกคนอื่นได้ท่านเี่ว่าสังคมแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากเราไปสนใจเรื่องอื่นมากจึงไม่เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาดังนั้นคำว่ า, าศาสนากับพุทธศาสนานี้มันเป็นคำละคำกัน แต่ก่อนตัวของผมหรือตัวอาตมาก็ไม่รู้ศาสนาต้องมีวัดมีพระสงฆ์มีเนหรือมีพระพุทธรูปมีเจดีย์มี JD, มกรรมพีมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเข้าใจอ น, นั้นเป็นตัวศาสนาอันนั้นจริงอยู่ศาสนาสมมติ ไม่เข้าใจว่าตัวคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาตัวพุทธศาสนาคือตัวเราจเจริญส ต, ติหรือทำความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจพร้อมสมบูรณ์แล้วปัญญาหรือญาณมันเกิดขึ้นให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจสัมผัสในตัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแ ง, ทกง่ทุกมุมอันนั้นแหละ เป็นตัวพุทธศาสนาแท้พุทธศาสนาจึงว่าพุทธแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมก็จ้องอยู่กับธรรมะประเภทนั้นหรือธรรมะที่เราเห็นเรารู้เราเข้าใจหรือการงานที่เราทำพูดคิดนั่นแหละเราก็ต้องอยู่กับเนะี่สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ดังนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจึงไม่กำหนดการเวลาไปไหนมาไหนก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ไปในตัวมันเองข้อแรกจะหมดปัญหาเรื่องผีเทวดาลึกงามยามดีโชคตาบาปบุญสิ่งที่สมมติขึ้นมานั้น จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงริงเสพติดมึนเมาทุกประเภทเราจะเห็นจะรู้จะเข้าใจเมื่อเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแน่นอนลงไปแล้วไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนเลยว่าสิ่งนั้นควรไม่ควรเพราะตัวเองเห็นว่าไม่ควรก็ต้องไม่ควรตัวเองเห็นว่าควรก็ต้องทำไปเท่านั้นเอง คนบูราณท่านจึงสอนเอาไว้สั้นๆว่ายาเห็นผิดเป็นถูก่าเห็นนรกเป็นสวรรค์ยาเห็นกงจักเป็นดอกบัวงอนเลยนะแล้วก็่าเห็นทุกเป็นสุขท่านสอนเอาไว้ในทางตรงกันข้ามบางคนก็เห็นผิดนันหะกลับมาเป็นถูกเห็นทุกกลับมาเป็นสุขเห็นนรกกลับมาเป็นสวรรค์เห็นกงจัก นั่กลับมาเป็นดอกบัวเป็นยังไงเรื่องนี้เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วที่ว่าเห็นโกงจักเป็นดอกบัวนี้คือเ ม, มทานคําว่านิทานเนี่ยหมายถึงประามปรลาจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสายคนเดียวชแต่พ่อตายลงไปก็เหลืออยู่แต่แม่คนเดียวกับลูกสายคนหนึ่ง เป็นสองคนมีทรัพย์สมบัติมากใช้เท่าใดก็ไม่หมดลูกชายคนนั้นใหญ่โตมาแล้วก็อยากไปค้าไปศึกษาเลาเรียนต่างชาตต่างภาษาหรืออะไรมากๆเหล่านั้นเนี่ยแม่ก็ห้ามบอกว่าไม่ต้องไปหางเงินทองเองินทองอยู่ในบ้านของเราใช้ก็ไม่หมดแล้วแม่ก็มีหน้าโยบายให้เข้าไปวัด ให้เงินเป็นรางวัลไปวัดทุกวันทุกวันลูกชายก็ไปไปตอนเย็นมาแล้วก็ให้เงินถามไปวัดไม่ไปแต่มีอะไรบ้างวัดก็ไม่รู้ก็ไปเพียงเข้าไปในวัดดูเท่านั้นเองวันต่อมาก็สอนให้เข้าไปหาพระเข้าไปหาพระก็พระพูดอะไรก็ไม่ได้รู้วันต่อไปให้เข้าไปในโบสถ์ในสิลงอย่างที่เราเคยมีโบท์มีสิล ก็ไปนอนอยู่ในโบุถในสิแม่ถามก็ไม่ได้เรื่องวันต่อไปก็ให้ไปฟังเทศจากพระฟังเทศจากพระก็ฟังแล้วก็ไม่จดไม่จาเป็นยาหลายวันและจําไม่ไหวเพราะพอแม่ปู่ยาตายายเล่าให้ฟังมาอย่างนี้ก็เลยนำมาเล่าให้พวกเราฟังพระเอิญอยากไปฆ่ากับนายสะเผาเขา ลุกขึ้นเกียมเนื้อเกียมตัวจับกระเป๋าแม่ก็เลยไปจับเอาเพืงกระเจียวผ้าไว้ก็เลยซอกตับหลังถูกแม่แม่ก็ล้มตูมลงไปก็จับกระเป๋าก็วิ่งไปเลยเนี่ยว่าแลนบ้านหลวงพอนะแลนหลงไปโตนเข้าสะเพาพอดีนายสเพากําลังปวดสมอสะเพาอยู่พอดีอีตาคนนั้นโตนเข้าไปแล้วสเพาก็หุ่งไปเลย ออกไปถึงกลางทะเลหรือมหาสมุทรที่กว้างๆเนี่ยพอเดไปถึงที่นั้นแล้วก็เลยติดเลยไม่ไปเลยเหมือนกับสมะเกาะไว้เนี่ยบัด น, นี้นายสาเผานายเรือนี่ยก็เลยลุกขึ้นอกเป็นคนกาลกินีเข้ามาในเรือในสเผาเราแล้วมันจึงเป็นอย่างนี้ทุกเที่ยวไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยมาจากสลากเขียนบัตรเขียนสลาก ลงไปจับเอาคนใดเป็นคนกาลาคินีก็ให้จับเอาสลากใบนี้คนนั้นก็จับลงไปกดถูกสลากใบนั้นแต่คนอื่นนะไม่ถูกเมื่อเป็นเซนนั้นก็เลยมาทําแพรหรือทําไมมัดติดเป็นลำเป็นลำเรียว่าแพรบ้านหลวงพ่อแล้วก็เอาไม่เอาอาหารการกินลงให้แล้วก็เซนอิตาคนนั้นลงแพรลงเหลือใบนั้นไปอิตาคนนั้นลงแล้ว สะพาวก็ไปเลยทีเดียวไปคนละทิพยละแดนกันไปเลยมองไม่เห็นกันเลยอิตาคนนั้นก็ได้ยินเสียงปัดนรกร้องนึกว่าเป็นเสียงเพงลงหรือด น, นตรีละนาฏคล้องสิ่งที่เพาะหูนั่นแหละก็เลยซีมือลงไปเราจะไปสมเมืองอันนี้แผ่ก็เลยไปตามกระแสะที่อิตาคนนั้นต้องการนั่นเอง พอดีไปถึงที่นั้นแผลก็เข้าไปตุหรือเข้าไปมัดไม่ได้มัดแล้วเข้าไปพูกไปไปจอดที่นั้นอิตาคน้ก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเห็นสัตว์นรกคนหนึ่งผูกกงจักกําลังหันหัวหรือผุนหัวอยู่เลือดออกมาร้องอยู่อย่างนั้นอิตาคนที่ ออกจากแพรไปนี่เขไปเห็นนึกว่าเป็นเครื่องประดับเป็นทองคําเป็นเพชรเป็นอะไรต่างๆเครื่องประดับคนนั้นก็ลเลยขอรับจารอิจาร์าคนนั้นอิจาคนนั้นก็ไม่ยอมให้เพราะยังไม่หมดกรรมให้หมดเวรท่านไว้ยังเป็นเครื่องประดับของเราอยู่ให้คนอื่นประดับไม่ได้อิตาคนที่ไปขอเนี่ก็เลยโกรธไม่พอใจ วันต่อไปหลายครั้งหลายหนไปขออยู่ทุกวันทุกวันอิตาคนณยังก่อไม่ให้วันสุดท้ายนี้เพราะมันหมดกําหนดแล้วเลยเรียกอิตาคนนั้นว่าท่านผู้เจริญท่านจงรีบขึ้นมาเอาเครื่องประดับของท่านเถอะอิตาคนนี่นก็แล่นขึ้นไปวิ่งขึ้นไปอิตาคนณต้องก็จับเอาองจากอันนั้นเนี่ยออกจากหัวตัวเองไป ใส่ศีรษะอิตาคนนั้นด้วยหัวอิตาคนนั้นคงจักรก็พันลงไปเลยขุนลงไปล้องขึ้นมาทันทีให้มารับเอาคืนอิตาคนนี้นก็บอกเป็นของท่านแล้วท่านต้องสเสอวยนี่อันนี้แหละแสดงให้เราเห็นว่าเห็นคงจักรเป็นดอกบัวมันเห็นผิดการปฏิบัติก็ผิดถ้าเห็นถูกต้องปฏิบัติก็ถูกต้องจริงๆ รับลองวิธีปฏิบัติแบบนี้ต้องเรียนให้สำนิสํานานการปฏิบัติก็จะรู้เรื่องสมมติจริงๆสมมุติบัญญัติาาตารมัดบัญญตัติอัถะบัญญัติอริยบัญญัติสี่ข้อนี้ต้องรู้แน่นอนวันที่วันนี้ที่นํมาเตือนจิตจิตใจของนักปฏิบัติธรรมหรือพวกเราที่กำลังสนใจกันอยู่ในวันนี้ ตอนสันเซานี่ก็เป็นการให้พรไปในตัวไม่ต้องรับพรภาษาบาลีอายุวันนะสุขาภาละไม่ต้องพูดก็ได้เพราะให้ปฏิบัติทมอันนี้แหละรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามไปที่ไหนมาที่ไหนให้มีกำหนดการไปการมา และให้รู้สึกตัวในการแต่การมาจะไปกําหนดเท่านั้นวันเท่านี้วันอันนั้นกําหนดไม่ได้หรือจะกําหนดว่าเท่านี้วันเท่านี้วันกําหนดไม่ได้แต่การปฏิบัติอันนี้กําหนดได้ว่าอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอา น, นิสงไม่ต้องพูดเลยค่วมทุกข์ด้วยจะลดน้อยไปลดน้อยไป ถึงบางคนผู้มีปัญญาอาจจะหมดก็ได้ท้ายที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ในญาติโยมกําลังนั่งฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้อาจจะมาขออ้างอเอาคุณของพระพุทธเจ้าและถ้าทำคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระรันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสเข้าใจ แนบแน่นอยู่กับสิ่งที่มีปฏิบัติธรรมะนี่มีหลายวิธี <c oughs> แต่สำหรับหลวงพ่อ <c oughs> เคยเอามาใช้กับชีวิตประ จ, จำวันหลวงพ่องพ่อก็เลยเอาแต่เรื่องเดียวเท่านั้นมาพูดให้ฟัง <c oughs> การปฏิบัติธรรมะแบบนี้ <c oughs> มีวิธีการ <c oughs> มีจังหวะ นั่งเสยๆไม่ได้นั่งนิ่งๆไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงให้มีจังหวะทำมีจังหวะเก็บมือเข้าเอามือออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีจังหวะสาบการสาบแล้วก็มีจังหวะหว้ด้วยอย่างที่เราพูดโมสัจจะเป็นภาษาบาลี <c oughs> แต่เราไม่ได้ทําให้มันถูกต้องกับที่เราพูดนโมตัสสัปนโมตัสสัปพระค่ว่าโตไปว่าขอโนบหนอมนบทําอย่างไรน้อมทําอย่างไรไม่รู้แต่ขอหลวงพ่อไม่รู้เมื่อมาทําอย่างนี้มันเกิดความรู้สึกสํานึกขึ้นมาว่าแก <c oughs> พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้นโมตัสสะปนี่แป่ว่าเราทําจังหวะให้เป็น ลบให้เป็นน้อมให้เป็นที่ว่านบน้อมตัวเองอรหลาหโตแปลผู้ไกลจากห้าสึกไกลจากกีเลสสัมมาสัมพุทธพะพระพุทธเจ้าเห็นเองรู้เองตัดสู่โดยชอบแล้วก็เราไม่ได้เข้าใจคําหมายสิ่งเหล่านั้นบัดนี้มาปฏิบัติวิธีนี้มันเลยรู้จัก นบตัวเองน้อมตัวเองเคารพตัวเองเมื่อนบตัวเองน้อมตัวเองเคารพตัวเองได้แล้วก็เป็นการเคารพนบน้อมเพื่อนฝูงหรือเพื่อนมนุษย์ทุกคนทุกสาตวทุกภาษทาษทุกเพศทุกวัยแต่ให้เรารู้สึกนึกคิดขึ้นมากำลังยกมือไหว้ขึ้นมานี่เราไหว้ตัวเองหรือเราไหว้คนใด เราทำดีเ้าทำชั่วให้เห็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นจึงมีการทำเป็นจังหวะกาดจังหวะไหว้ทำจังหวะกาดจังหวะไหว้เป็นแล้วก็ต้องทำจังหวะลุกยืนขึ้นแล้วก็นั่งลงมีจังหวะเมื่อทำจังหวะยืนขึ้นล้วก็ทำจังหวะนั่งลง เดินขึ้นให้ตรงมีเท่านั้นจังหวะมีเท่านี้จังหวะนั่งลงมีเท่านั้นจังหวะงงมีเท่านี้นจังหว ะ, น, น, หวะนอนลงบนเนี่ยก็ต้องมีจังหวะนอนไปมันไปตามสัดส่วนของมันบัด น, นี้ก่อนที่จะลุกก็มีจังหวะลุกทำจังหวะเป็นท่าทีจึงว่าให้มีสติรู้การจังหวะของมันเป็นการปฏิบัติธรรมะ ไปทุกระยะทุกระยะจริงๆเมื่อทําอย่างนี้เนี่ยไม่นานเกิด ค, ความรู้สึกสํานึกตัวขึ้นมาเออการปฏิบัติธรรมะนี่คือปฏิบัติตัวเราคือเรารู้ตัวเรานั่นแหละจึงจะปฏิบัติตัวเราได้พูดให้มันลัดบาปก็คือไม่รู้ตัวเรานั่นเองเข้าใจอย่างนี้ บาปคือมืดบาปคือไม่รู้ถ้าว่างโง่กับมืดไม่รู้เป็นคำเดียวกันบุญเหมือนบุญคือรู้บุญคือสลาดบุญคือเห็นแจ้งก็เป็นคำเดียวกันแต่คำหมายแต่มันกว้างคำพูดถ้ารู้แล้วก็ไม่เศร้าหมองใจหรือไม่มืด ไม่มีสิ่งใดที่จะมาปกปิดก็เลยรู้ว่าบุญมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงเอาบุญบางคนกำลังทำบุญอยู่ก็ไม่รู้จักบุญตัวเองก็เช่นเดียวกันเคยทำมากำลังทำบุญอยู่ก็ไม่รู้จักบุญบุญคืออะไรไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วจะเอาบุญได้ไหมไม่ได้นับรองบอกว่าไม่ได้จริงๆ ตัวของผมตัวของอาจารมานี่ไม่รู้จริงๆตอนเศร้าก็พูดอย่างนี้บัด น, นี้ตอนมาสันกลางวันนี่ก็พูดอย่างนี้ให้ฟังอีกเพื่อทําความเข้าใจและให้เข้าใจจริงๆพูดให้ฟังตรงๆเนี่ยนีเมื่อมาทําอย่างนี้แล้วโอ้บุญคือรู้นี่เองรู้แล้วสบายใจคือความสบายนี่แหละบุญ ถ้าหากเราทำอะไรลงไปแล้วมันไม่สบายอันนั้นไม่ใช่บุญแล้วเขาใจยังน้นแต่ว่าทำสบายบเนี่ยทำไปด้วยความไม่รู้ทำไปด้วยทิฏฐิคืออิสาลิษยาคนนั้นคนนี้อันนี้คือไม่ใช่บุญแล้วนี่เป็นการที่พูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีอีกแล้ว อันที่ทำดีพูดดีคิดดีไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่แหละคือเป็นบุญเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เลยทราบซึ้งตึงใจว่าหลักพระพุทธศาสนาเบื้องแรกที่สุดสอนให้รู้ตัวเราเมื่อรู้ตัวเราก็รู้บาปรู้บุญจริงจริงรู้ศาสนารู้พุทธศาสนา รู้สมมุติรู้จริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยถ้าหากเรามีความสงสัยไปถามคนนั้นไปถามคนนี้แสดงว่าเรายังไม่รู้จริงเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> <c oughs> มื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ต้องถามใครบัด น, นี้ยังไม่รู้สภาพความคิดอย่างที่ตัวสมุทัยทําให้ทุกข์เกิดเราว่าอย่างนั้น ตัวสมุทัยคือตัวขวมคิดนั่นเองทุกจึงกําหนดรู้กาหนดการเคลื่อนไหวในอิริยาบถ ท, ทุกอิริยาบถน่ะเป็นตัวทุกสมุทัยทําให้ทุกเกิดบันั้นตัวคิดแบบนี่ยถ้ามันคิดออกไปข้างนอกเราไม่เห็นมันก็ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไปยึดเรื่องนั้นไปถือเรื่องนี้เนี่ย ผลมันออกมาก็เป็นทุกข์ดังนั้นจึงว่าทุกข์คือให้กําหนดรู้คือให้รู้การเคลื่อนไหวนั่นเองแล้วจับทาความเข้าใจกับการเคลื่อนไหวนั่นเองเป็นทุกข์อันนี้เรียกออกเป็นทุกข์ในอธิยศาสตร์ <c oughs> สัจจะไปว่าของจริงทแ ท, แท้เมื่อเป็นเช่นนี้สมมติเหมือนกับเรามีของที่คึ้นแล้วก็เปิดขึ้นมา หายขึ้นมาหงายหน้าขึ้นมาเราค่อยเห็นมันหรือสมมุติอีกอย่างหนึ่งคือเกลียวที่เราขันแน่นเข้าไปนะ่ยเรามาคลายเกียวนั่นออกมามันก็หลวมออกมาเลยมันก็เลยเห็นไปอย่างตันนี้ตัวสมมุทัยทําให้ทุกเกิดนี่คือตัวคิดมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันก็เลยไม่ได้ปุุง เมื่อมันไม่ได้ปรุงและควมคิดมันก็เลยไม่ได้ยึดไม่ได้ถือเมื่อมันไม่ยึดไม่ถือก็เรียกว่ามันไม่มีอุปทานนี่เป็นยางไงแต่ความคิดมันคิดได้แต่ตัวความคิดนันเป็นอนัตตาจะจัดมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันคิดก็ไม่ได้บอกว่ามันคิดมันก็ไม่ได้มันเป็นไปตามสภาพของมันโดยสุาะ เรียกว่าอนัตตาแห่งธรรมบังคับปัญษาไม่ได้ตัวที่ผมงอกฟันหักเนื้อหนังแหวไปอันนี้มันเปลี่ยนอนัตตาอีกรูปหนึ่งอนัตตาตัวนี้เหมือนเป็นอนัตตาเรื่องอยู่ภายนอกตัวความคิดนั้นเป็นอนัตตาแห่งธรรมอยู่ภายใน <c oughs> แต่เรามาทำความรู้สึกกับภายนอก ตัวภายในก็รู้ขึ้นมาเองเราก็เลยมาดูเรียกว่าเอาตาดูหรือไม่ใส่คือเราทำความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวพอดีจิตใจมันนึกมันคิดมันก็เห็นมันก็รู้มันก็เข้าใจมันก็เข้าไปสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเรียกว่าเป็นนิมิต เมื่อวเห็นจิตเห็นใจตัวเองจิตใจจึงหลอกลวงตัวเองไม่ได้นี่มันเข้าใจอย่างนั้นแต่ก่อนนั่นไปทำกรรมฐานไปนั่งหลับตาภาวนาพุโทโธบ้างสัมมาอะระหังบ้าง่องยุบบ้างดูลมหายใจบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างตัวของผมหรือตัวของอาตมาเคยทำมาอย่างนั้น แต่ไม่เคยรู้คมคิดมันคิดแวบออกไปน ไ, ไม่เคยรู้อยากให้มันสงบอันนักสงบแบบไม่รู้สงบแบบไม่อยากรู้อัสงบเหมือนกับก้อนหิดก้อนกวดนี่เองอั น, นั้มาสงบแบบหนึ่งบัดนี้เคลื่อนไหวเรามีความรู้สึกจิตใจมันนึกคิดเรามีความรู้สึก ตัวนึกตัวคิดมันก็เลยไม่ได้ปรุงก็เลยไม่เป็นตัวทุกแต่มันคิดออกมามันไม่ได้ทำเป็นตัวทุกมาให้เราสมมติไทยทำให้ทุกเกิดตัวเนี่เมื่อมันคิดออกไปสมมติเราคิดว่าอันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นดีอันนี้ชัว่วเราไม่ทันขมคิดแต่มันคิดเข้ามาเราเข้าไปในขุมคิดมันเลยปรุงขึ้นมาอันนั้นแหละตัวทุก ท่นจงอาภัตสมุทัยทําให้ทุกเกิดเนี่ยเมื่อมันคิดออกไปเราไม่เห็นมันก็นําทุกมาให้เราผลเราก็ได้รับมันเป็นอย่างนั้นบันดนี้มักเป็นข้อปฏิบัติแบบ น, นี้มักก็คือให้เรารู้นั่นเองเราเอาสติมาดูหรือเราทํำกลมรู้สึกหรือนี่มักมักต้องเจริญมักเป็นข้อปฏิบัติจเจริญก็ทําให้มาก มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้อันนี้เรียกว่ามากเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าทําให้เจริญจเจริญก็มากขึ้นมากขึ้นนี่โลดเรียว่าทําให้แจ้งนีโลดปแปลกล่นไปเมื่อเราเห็นแจ้งแล้วก็พ้นไปจากข่มสงสัยกังวลใจนี่เราก็พ้นไป เมื่อพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วขุวมพุกโกเลยลดน้อยไปหรือถึงกับเกิดขึ้นไม่ได้วามจริงแล้วโทสะโมหะโลภะนี้มันเกิดขึ้นในขนาดที่เราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจขุมคิดของเรานั่นเอง <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจขุมคิดของเราอยู่แล้ว แสดงว่าเราไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วโทสะ ก, ก็เกิดขึ้นไม่ได้โลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เป็นวิธีง่ายๆปฏิบัติธรรมะแบบนี้เอาไปใช้กับการกับงานได้ทุกอย่างยิ <c oughs> ่งว่าบาปมากที่สุดดังนคือไม่รู้การเคลื่อนไหวไม่รู้จิตใจนึกคิดนี่เอง บุญมากที่สุดก็คือรูป ก, การเคลื่อนไหวรู้จิตใจนึกคิดนี่เองนี่มันสั้นๆั้นัดบัดบนี้เมื่อดูข้าวดูข้าวรู้สึกข้าวรู้สึกข้าวเห็นเข้าใจเรื่องขันสี่รูปสี่แล้วเข้าใจขันห้ารูป5้านี่มันเป็นอยู่ภายนอก แต่ขันสี่รูปสี่นั้นมันเป็นอยู่ภายในขันห้าเราได้พูดได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นขันห้าขันสี่นั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปเอาตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปไปว่าเวทนาขัน สัญญาขันสังขารขันวิญญาขันอันนี้เป็นขันสี่เป็นรูปสีญญ่ก็เลยรู้ว่าลักษณะของเทวดามันอยู่ที่ตรงนี้เราพ็เราเห็นรู้เข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ลักษณะอย่างนี้เรียกวความเป็นเองความมีเองในคนทุกคนไม่ยกเว้นอย่าง เมื่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้กดจางหายไปเหมือนกับน้ำสีสมมุติให้ฟังทีแรกเราเคยโกรธคนไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้มันเต็มที่มันทันทีเลยเหมือนกับน้ำสีเต็มกระป๋องมีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อายอมผ้าขาวสีมันจะติดเมื่อผ้าทั้งหมดเลย <c oughs> ถ้าเป็นสีดํา ม, มันก็ดําทั้งเนื้อผ้านั้นดําทั้งหมดถ้าเป็นสีอันใดมันก็ไปทำสีอันนั้นเลยเนื้อผ้านั้นบัดนี้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสได้แนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้สมมุติน้ําสีเต็มกระป๋องคุณภาพไม่มีโยนน้าย้อมไม้ยว้อย่ า, า, ยมม า, ยางไรได้เอาไปย้อมผ้าขาวผ้าขาวกับน้ําสีมันจะไม่ติดกันเลย สีจะไม่ติดเนือผ้ามันตีนนอย่างนั้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จางหายไปทั้งหมดเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเมื่อรู้สึกกับการเคลื่อนไห ว, จ, วจึงว่ามีจังหวะมีจังหวะเลียนจังหวะเก็บมือเข้าเอามือออกเป็นแล้วเลียนจังหวะลุกจังหวะนั่ง แล้วก็เรียนจังหวะนอนเรียนจังหวะลุกเรียนจังหวะกราบเรียนจังหวะไหว้จึงว่าเป็นการเคารพตัวเองนัน้อมตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นอย่างนี้เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็ถือว่าเป็นมนุษย์เป็นยอดของมนุษย์เป็นคน เป็นยอดของคนแต่ก่อนนั้นไม่รู้ก็เป็นคนอยู่เหมือนกันหน้าตาแข้งขามือเท่าเป็นคนจิตใจอาจเป็นถีก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเป็ดก็ได้เป็นสัตว์เนร่างก็ได้ก็เลยพูดกันภาษาง่ายๆเดี๋ยวมีตาทิพย์มีหูทิพย์ขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเองเ ตาทิพย์อันนี้หูทิพย์อันนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นภายนอกหมายถึงสิ่งที่เป็นภายในคำว่าตาทิพย์ก็ไม่ได้หมายเห็นตับไจใส้บอดคนนั้นคนนี้หมายเห็นการเคลื่อนไหวการนึกการคิดจิตใ จ, จของตัวเองนี่เองนี่มันเห็นมาที่ตรงนี้ หูททปก็แสดงว่ามันคิดอะไรเรารู้หรือคนอื่นมาพูดให้ฟังเรารู้มันจึงคุกรดน้อยไปลดน้อยไปอย่างนี้แต่ลักษณะความเป็นของมันนั้นจะเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไป <c oughs> แต่ให้สําคัญว่าเราทำความรู้สึกให้เป็นการทำความรู้สึกนี่แหละ มันเป็นยอดของปัญญาเป็นยอดทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะพูดว่าทางลึกเป็นรากเง่าของทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะให้รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างาการกระทำอย่างนี้มีค่ามากที่สุดมีเงินก็ซื้อไม่ได้มีความรู้แล้วจะไปโดนดาวนึกคิดออกก็ไม่ได้ ต้องทำให้มันเป็นเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แหละรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระได้เป็นอย่างนั้นในขณะนั้นเป็นโยมนุ่งกางเกงขาสั้นบ้างหายาวบ้างบางครั้งนะผมก็ยาวด้วยแต่เมื่อเห็นสภาพภาวะของจิตใจมันเปลี่ยนแปลงออกไปจากสภาพที่มืด ไปอยู่สภาพที่แจ้งหรือมันเปลี่ยนทิ้งของหนักออกจากมือเรามือเราไม่มีอะไรติดมันเบามันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเราอยู่ฝากนี้แต่ก่อนบัดนี้เราข้ามจากฝากนั้นมาอยู่ข้างนี้แล้วเหมือนมันสมมุติพูดนี่แหละควมเป็นพระมันอยู่ที่ตรงนี้เองดังนั้นควมเป็นพระอย่างนี้จึงไม่กาหนดกฎเกณฑ์ ไม่จำกัดเพื่อทราบสันวันนะวิสาความรู้ถ้าหากเป็นพระไม่ได้ก็ยังเป็นคนธรรมดาหรือบางทีอาจไปตกนรกก็ได้ท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นในตำราตัวหนังสือท่านสอนเอาไว้หลักสูตรนักรมทันโธ <c oughs> เป็นธรรมวิภาคบริเศสสองว่ า, าพระโสดาบันบุคคลยังมีครอบครัวหัวเมียตามปับเพนีโลกแต่ปิดอบรรยายภับูมแล้วไม่ไปตกนรกแล้วแต่ก่อนเราพูดได้แต่ไม่เข้าใจเมื่อมาเข้าใจอย่างนี้มันเป็นธรรมดามันแล้วอันนี้มันเป็นของจริงเดี่ยวเป็นปรมาเ ท, ทๆ เมืองนั้นพระโสดาบันนั้นผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ยังไม่มีครอบครัวเขาจะไม่สร้างความทุกข์ขึ้นให้แก่ตัวเองเอาวอย่างนั้นแต่ความทุกข์นั่นแหละเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจนึกว่าสิ่งสิ่งที่เราต้องการแล้วนั้นนึกว่าสิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์เนี่ ความจริงพระพุทธเจ้าหรือคนบุราณท่านสอนเอาไว้แล้วว่าอย่าเห็นผิดเป็นถูกอย่าเห็นทุกข์เป็นสุขอย่าเห็นนรกเป็นสวรรค์อย่าเห็นกองขยกเป็นดอกบัวให้เห็นผิดเป็นผิดให้เห็นถูกเป็นถูกให้เห็นทุกข์เป็นทุกข์ให้เห็นสุขเป็นสุขให้เห็นนรกเป็นนรกให้เห็นสวรรค์เป็นสวรรค์ ให้เห็นกงจักรเป็นกกจักรให้เห็นดอกบัวเป็นดอกบัวในท่านสอนเอาไวค้คุณโบราณหลายอย่างที่ท่านสอนเอาไว้แต่เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ทําไปคนโบราณบางคนพูดเป็นแต่ไม่รู้พันนี้เป็นปัญหาที่สําคัญการพูดนั่นแหละพูดได้แต่ไม่ทำหรือทําไม่เป็น ทำพูดนั่นจะไม่มีประโยชน์แก่ตัวเราและไม่มีประโยชน์แก่สังคมไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นรู้ทั่วไปเราทั้งพูดได้และการทําก็ได้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเพราะเราจะพยายามแนะนำให้คนอื่นนั้นเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นการทําบุญ ฐานรักษาศีลมันดีแล้วแต่มันไม่ใช่ไม่เรื่องนี้แต่เรื่องทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจของทุกคนหรือเป็นชีวิตของทุกคนจึงเปรียบได้ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นใจกลางของพุทธศาสนาคำว่าพุทธศาสนาก็หมายถึงตัวชีวิตของทุกคนนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราทุกคน จงตั้งใจปฏิบัติทำความรู้สึกตัวนั่นแหละเป็นการปฏิบัติแม่ลักษณะมันโกรธขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราเอาสนะได้ในขณะนั้นเวลานั้นนาทีนั้นวินาทีนั้นนั่นแหละเป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริงหรืออย่างสูงสุดนี่เป็นการทานอย่างสูงสุด ดงนั้นการทานธรรมจึงเป็นการสทานทนาทางปวงการทานวัตถุสิ่งของมันเป็นวัตถุมัหยืนให้กันได้ง่ายๆแต่การทานโศสะโมหะโลภะนี่เป็นการทานได้ยากถ้าหากไม่เข้าใจจริงๆแล้วจะทานไม่ได้เสียเลยคาว่าทานในที่นี้หมายถึงคนอื่นพูดเข้ามาให้เรา เราเฉยได้นั่นแหละเรียกว่าฐานได้เพราะลักษณะจิตใจของคนนั้นมันเสยอยู่แล้วที่มันไม่เสยนั่นแหละเรียกว่าเราลืมเราหลงเราไม่เห็นมันก็เลยไปกรรมเอาไปจับเอาไปติดเอาท่านเรียกว่ามันมีอุปท า, านแต่ความจริงอุปท า, านไม่มีมีขึ้นในขณะที่เราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจนั่นเอง ดังนั้นสภาพหรือภาวะจิตใจของคนทุกคนนั้นมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วมันเป็นนิพพานมันอยู่แล้วทุกระยะทุกเวลาต่อเมื่อเราเห็นเมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจแล้วจิตใจของตัวเราหรือชีวิตของตัวเหล่านี้มันเสวยๆอันเสวยๆนั่นท่านเรียกว่าอุเบกขา หวางเสรยหรือว่าว่างหรือว่าสงบหรือจะว่ายังไงก็ว่าได้แต่เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจนั้นมีคนอื่นมาพูดให้เราเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้เราก็เลยไม่เข้าใจเราก็เลยไปยึดไปถืออันนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมะมันเป็นการปฏิบัติคิดอันนั้น แต่มันเป็นการปฏิบัติธรรมะทางพิศว่าอย่างนั้นก็ได้ต่อเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมีคนใดมาพูดให้เราแล้วเราไม่ยึดไม่ติดอันนั้นแหลกเป็นการปฏิบัติธรรมะตามแบบตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆดังนั้นหลักษณะสภาพหรือชีวิตของทุกคนเหมือนกันทั้งนั้นเมื่อไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้น เมื่อรู้แล้วก็ไม่เป็นอย่างที่มันเคยเป็นมากดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้ายังสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเนี่ยคือกันแขนขาหน้าตามือเท้าคือกันเหมือนกันคนที่ยังไม่รู้ก็เหมือนกันเรียกว่าปุถุชน เมื่อยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็พยายามเสาะแสวงหาวิธีที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องทุกข์อันนี้นี่เองต่อเมื่อพระองค์หรือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละได้ไปเห็นได้ไปรู้ได้ไปเข้าใจมาแล้วท่านก็เลยพูดอีกว่าสัดทั้งหลายเราผูเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายระพฤตปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้แต่เราไม่ทำตามแต่เราไปป่าถนา อ, อ, น อ, นอ้อนรอนขอร้องเอามันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่รู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนเอาไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตเนี่บรณทึกการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านะั้นเราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดสัตว์เพราะการทําทางจิตตัอท่าน พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไม่ได้เดินพอเก้าไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปและไม่ได้ดังรถยนต์ไปคือท่านอยู่ที่ไหนท่านดูใจของท่านดูสภาพมันนึกมันคิดพอดีมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันก็ตัดเข้าตัดเข้าเป็นวิธีลบออกเป็นวิธีลบออกเหมือนเราขุดบอ่อน้าไปเจอน้าก็ต้องเป็นหน้าที่ตักตมตักเปลนออกเท่านั้นเอง เมื่อเราตักออกมากเข้ามากเข้าน้ำมันใสเองอันความคิดนี้ก็เช่นเดียวกันมันจะไปถึงที่สุดของทุกได้จริงๆรงับรองว่าเรื่องนี้แหละเรื่องที่จะทำให้คนหมดทุกได้จริงๆเพราะทุกคนมันจะไหลไปสู่ความตายเราจะรู้จักวิธีคนไครและเทคนิคของคนตายจริงๆ ดังนั้นที่สรรอาหารกลางวันวันนี้ก็เลยมาแนะนำเป็นวิธีที่ให้ทุกคนเอาไปทำกับชีวิตประจำวันได้ไท้ายที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานทีน่นี้อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำ ส, สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระลันตาสาวกพระสมาสมุทรเจ้ามาเตือนจิตสักิตใจของพวกเราให้พวกเราได้ทําความเข้าใจกับตัวนิสตัวคิดเรียกว่าสังขารก็ได้เรียกว่าตัวสมุทัยก็ได้ให้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เอาชนะมันได้ในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเทอ อานิ่มนคุกเข้าเราวก็ตาบกันครับไม่ต้องเอาพรภาษาบาลีละเอาพรภาษาไทยก็พอแล้วอายุวันนะสุขะภาละท่านเราบอกกันเองอันนั้นไม่ได้เลือก